การนั น, นตหตีนี่ก็ได้เวลาแล้นนวเพราะนก่อนมันตีก่อนคำว่าอัจฉริยธรรมคือธรรมอัศจรรย์ต้องมาอัศจรรย์ที่กิด ยโดยตามธรรมชาติของธรรมไม่มีสิ่งยืนยันรับรองคุณภาพแล้วย่อมไม่ทราบได้ว่าธรรมเป็นอย่างไรทั้งที่ธรรมมีมาดั้งเดิมมีอยู่ดั่งเดิมก็ไม่มีใครที่จะแวกแนวไป เจอทาที่มีอยู่ดังเดิมนั้นว่าได้พบแล้วในคำที่ว่าธรรมอัศจรรนั้นเพราะไม่อยู่ในที่นั่นที่นี่ที่ใดใดทั้งสิ้น แต่หากเป็นธรรมอยู่โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่สิ่งใดทั้งนั้นยึนงมีใจเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องยืนยันธรรมขั้นต่างๆว่ามีความอัศจรรย์มากต้อให้ต่างกันอย่างไรบ้าง ทกับโลกแม่จะมีมาด้วยกันดังเดิมถ้าไม่มีใจเสียอย่างเดียวเป็นเครื่องสัมผัสนับทราบด้วยการปรับกรุมใจให้ถูกที่ควรจะรับทราบได้แล้วก็ไม่มีทางทราบตลอดไปจึงทำให้อัศจรรย์เรื่องความ กัดรูหรือความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าหมายถึงพระองค์แรกซึ่งไม่มีใครแนะนำถวายอุบายพระองค์แต่อย่างใดเลยแต่แล้วก็สามารถแวกออกมาจากสิ่งหนาแน่นทั้งหลายซึ่งไม่มีทางที่จะคาดจะฝันว่าจะสามารถแวกว่าออกมาได้ ในบรรดาโลกทั้งมวลแต่พระพุทธเจ้าทรงแห่กว่ายออกมาได้ด้วยความเป็นสยามผูทรงแหวกทรงรู้ออกมาเองพ้นออกมาเไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเลยเนี่พระพุทธเจ้าที่ต่างจากสาวกทั้งหลายต่างที่ทรงนอบรรดาสาวกต้องได้ รับการแนะนำอบายต่างๆจึงเรียกว่าสาวโกสาวะกะแปลว่าผู้สดับผู้ฟังได้รับการศึกษาแนวทางมาจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงพอที่จะจับเงื่อนแห่งการดำเนินนั้นได้พราสิ่งที่ นัดดึงอยู่ภายในจิตใจนั้นถ้าวานาแน่นก็ไม่มีอะไรจะค่าจะประมาทได้แล้วไม่มีใครจะทราบได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อตัวเองไม่มีสัตว์ตัวใดทราบได้เลยเพราะเป็นความที่ครอบอย่างสนิทติดตรงจริงๆนี่แหละที่วัด พระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกเป็นระยะระยะก็เพื่อให้โลกได้มีช่องมีทางมีการมีสมัยที่ควรจหลิตลอยออกไปแม้แต่นักโทษในเรือนจำเขายังมีเวลามเวลาปลดปล่อยพ้นโทษพ้นภัยไปได้ขนาดตัดสินจำคุกตลอดชีวิต เมื่อทความดีต่อชาติบ้านเมืองมากเข้าเขาก็ลดหย่อนผ่อนผันให้พ้นโทษออกมาได้มีสัตว์โลกที่จมอยู่ในวัดตวนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับนักโทษในเรือนจนผู้มีโทษมากมีโทษน้อย มหันตโทษมหันตุกมีอันนี้คำที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้เหมือนดอกบัวสีเหล่านั่นก็เป็นทํานองเดียวกันผู้เบาบางเต็มที่คอยที่จะแย้มดูแล้วามรองลำดับลงมาโดยลำดับลำดับจนถึงขั้นปัทะปละมะ หมดทามก็มีเรียกวามหันตทุกมหันตโทษในวัตจักรก็มีเมื่อได้รับพระอวาสของพระพุทธเจ้าแต่ละยุคละสมัยที่ท่านมาจัดสรู้นั้นนั่นและเป็นการเป็นสมัยที่สัตว์โลกจะได้หลุดลอยปล่อยโทษ จากสิ่งคุ้มขังคือธรรมชาติที่กล่อมสนิทอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ได้ผ่านพ้นไปโดยลำดับลำดาเมื่อหมดประเภทที่ทควรจะผ่านพ้นไปได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ปริพานหรือาศาสนธรรมก็หมดไปจาก ความนับถือของสัตว์โลกเพราะไม่มีช่องมีทางที่จะให้เกิดความเชื่อควา ม, มนับถือพร้อมเท่ากับการนำปฏิบัติได้เนี่ย ร, รมจึงมีเป็นการเป็นเวลาที่ตามที่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์มาตรัสรุ้ดังพระพุทธเจ้าของเรานี้แม้จะทรงพระชนูเพียง80ดพระพรรษาเท่านั้นก็าตาม แต่ก็ทรงเลงยานดูสัตว์ตโลกที่เกี่ยวกับาศาสนธรรมของโภงนั้นไปยืดยาไปประมาณเท่านั้นเท่านี้เช่นห้าพันปีเป็นต้นคือสัตว์โลกจะมีผู้สนใกในธรรมในาศนาสนธรรมของโภงอยู่เพียงแค่นั้นจากนั้นก็ถูก สิ่งปิดกำบังอย่างมืดมิดปิดตาไปเลยเป็นมหันตโทษมหันตทุกข์ปะทะประมะัมะไปถ้าเป็นโรคก็มีแต่โรคประเพณไม่ฟังยาหมอกับยาก็หมดความหมายปล่อยวางเท่านั้นเองนี่เหตุที่พระพุทธเจ้าแต่ะพระองค์พระองค์เพ่มาจากจะรู้เ่เปิดโลกเหมือนกับเขาปล่อย นักโทษในเรือนจำออกเป็นการเป็นเวลาใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็าตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายกลัสรลูปเรียงลำดับกำดากันนั่นเคยเป็นมาแล้วแต่ไหนแต่ไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคน ความที่คนจะเชื่อใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ขึ้นอยู่ตามความจริงดังที่กล่าวมานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตรัสดู้้เลยสัตว์โลกนั้นก็จะต้องจมอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่านักโทษที่ติดตารางในตลอดชีวิตเสียอีก จึงต้องมีศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรูแล้วเปิดช่องเปิดทางให้สัตว์ทั้งหลายที่กดกรรทนทานในทุกทั้งหลายซึ่งได้เห็นเต็มหัวใจแล้วได้หลุดลอยออกมาด้วยอำนาจแห่งกระแสธรรมส่องเข้าถึงก้อยึดก้อเหนี่ยวเกาะกันหมกมาเรื่อยๆผ่านพ้นไปเรื่อยๆ ดังที่เราเห็นในตำหรับตำราว่าบรรลุผลนิพพานนั่นแหละคือรอดพ้นไปโดยลำดับอ่สมเด็จอรหัตดาหันก็มีส ก, กีทาก็มีอนาคาก็มีโซดาก็มีเป็นกัญญาณปุุชนเพื่อสืบนิสัยวาสนาต่อไปในอันที่จะก้าวขึ้นสู่อริยธรรมเหล่านี้ก็มี จึงเป็นความถ่ายทอดมาโดยลําดับตาําราโดยหลักธรรมชาติเช่นนี้ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อความนับถือของผู้ใดเชื่อหรือไม่เชื่อไม่สําคัญธรรมชาตินี้เป็นมาอย่างนั้นนี่เดียกวกับคติโลกคติธรรมเป็นหลักธรรมชาติที่ว่าธรรมกับโลกเป็นคู่เคียงกันมาเป็นแต่เพียงว่าธรรมนั้นยุบย่อลงไป ในบางการแล้วสว่างข่างแจ้งขึ้นมาบางสมัยที่พระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้และยังจะเป็นไปอีกตลอดอนันตการในทำนองเดียวกันนี้โดยไม่ต้องสงสัย้วผู้ที่ควรแก่ตามจะได้หลุดพ้นจากวัตจักวัตตวนนี้ก็มีช่องทางที่จะเป็นไปตามระยะระยะระยะ เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงมีอุปนิสัยต่างกันและเหมาะสมกับการที่พระพุทธเจ้าแต่และพระองค์จะมาตรัสรู้ในขณะที่มืดบอดทที่สุดเลยนั้นก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าที่ไหนมาตรัสสรู้เช่อนอย่างสุญญากาศอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดามาตรัสรู้ในขณะที่เป็นสุญญากาศคือจิตของสัตว์มัน โลกทั้งหลายมันเหมือนกันหมดไม่มีจิตดวงใดที่จะสามารถรับแสงสว่างแห่งธรรมพอที่จะนำตัวให้เร็ยลอดออกไปได้จึงไม่มีสาธนาธรรมมาประกาศกลางวานในเวลาเช่นนั้นเรียกว่าเป็นสมัยปะทัปปรมาจริงๆนี้พอควรแก่การที่สัรโลกเรี้ลอดพ้นดุจ พ, พ้นไปตามวาระของตน ที่มีคำมันชั่วเง่นหนาเบาบางไปแล้วพระพุทธเจ้าในจังหวะ น, นั้นพระพุทธเจ้าก็มาแตสรสะลูแล้วลุกขนสัตว์โลกไปได้าจานวนมากมายกายของแต่ในบรรดาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นี่เป็นหลักธรรมชาติเคยมีมาดั้งเดิมและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีการไม่มีสมัยเป็นคู่เคียงและ สตาไปตามยุคตามสมัยของโลกของธรรมที่จะแสดงตามวาระของตนต่างกันนี่จากนี้ท่านก็แสดงไว้แล้วว่าพระยะเมตรัยจะมาจาัสรุล จากพระพุทธเจ้าเราไปแต่เรื่องนานเดือยไม่นานก็ฟังเอาว่าพุทธันดรหนึง่งระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้แต่ละโพรงพระองค์นั้นยืดยาวนานมากทีเดียวนั่นล่ะที่ว่าพุทธันดอระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่จะมาจตรัสรู้แต่ละโพรง น, น, น, น, น, นั่นละ่ ะ, ป ะ, เ, ะ, าา bacon, ละเป็นศูนยก์กลาว่างเปล่าจากาศาสนธรรมว่างเปล่าฟ้างเปล่าจาก คำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์สัตว์จะต้องจมอยู่ใต้อำนาจของวิเรนซึ่งมีอำนาจมากตลอดเวลาจะเรียกว่าจมดิ่งก็ได้ไม่มีเวลาโผล่ขึ้นมาได้เลยพอที่จะเห็นโทษเหนภัยแห่งสิ่งที่ถูกกดท่วงนั้นแม่น้อยเราทั้งหลายได้ ทั้งเกิดมาเป็นมนุษย์และได้บวชในพระพุทธศาสนาทั้งได้ปฏิบัติอาถรรมนี้นับว่าเป็นบุญยราษจําจำนวนกี่เมือนกี่แสนคนเราก็นับเข้าในจำนวนที่มีบุญยราษมีวาสนามีกีรายเราก็เป็นสมบัติของเราในทางที่ดี เราจรึงควรที่จะภาคภูมิใจในภพชาติและอนาจวาสนาของเราที่เกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาแม้พระพุทธเจ้าจะปริพานไปก็ตามเถิดคำว่าสวข า, าโตภควตาธรรมโรทมที่จัดไปชอบแล้วนั่นแหละคือองค์ศาสดาที่ประกาศ กังวานอยู่กับหวัวใจของสัตว์โลกไม่ได้ปรินิพานไปตามพระรูปพระโฉมของพระองค์เลยอันนี้เป็นหลักปัจจุบันอยู่ตลอดเช่นเดียวกับคำที่ว่าผิดคำว่าผิดทำเมื่อไหร่ก็ผิดไม่มีคำว่าอดีตอนาคตคำว่าทำทำเมื่อไหร่ก็ถูกอยู่เช่นนั้น เทวาวาที่ทรงชีแ้แจงไว้อย่างใดเป็นความถูกต้องแล้วอย่างนั้นเพระหนึ่งว่าพระองค์มาประทานพระาว่า ด, ด้วยพระโอ์ของพระองค์เองกับเราทั้งหลายในขณะที่ได้อ่านตำลับตำลาในขณะที่ฟังเทศนาว่าการในขณะที่เราประพฤติธปฏิบัติพิถะภาวนาพราะหนึ่งว่าพระองค์มาชี้แจงแสดงบอกอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นหลักธรรมชาติของหลักธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วส่วนพระรูปพระโฉมนั้นเป็นเช่นเดียวกับโลกทั่วไปไม่มีใครเหนือกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้เรือนร่างแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าหรือเรือนร่างแห่งพุทธะนั้นก็ได้แก่ร่างกายร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องไปตามสภาพของมัน ทั้งพระพุทธเจ้าสาวกและคนสามัญธรรมดาตลอดสัตว์ทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านไปตามกฎอันนี้จังทุกข์ของหน้าตาแต่หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของสัตว์โลก น, นั้นไม่ได้ผ่านไปเช่นนั้นดังพระว่าที่สอนไว้ตามตำหลับตำรา เราได้ก้าเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาและแดนแห่งการปฏิบัติช น, นีดจึงควรจะตักตวงให้เต็มทติกําลังความสามารถของเราไม่ได้ลดหย่อนอ่อนข้อท้อแท้อ่อนแอเรี้วไหลตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัดตามธรรมประหนึ่งว่าพระศาสดาเอื้อมพระอัฐพระหัตมาฉุดมาลากเราด้วยพระหัตของกูเอง โดยหลักแห่งสวงขาตธรรมไม่ลาเวนเราควรจะมีความกระยินรื้มปีติในการประพฤติปฏิบัติให้เห็นสิ่งที่เป็นภัยซึ่งฝังจมอยู่ภาณในจิตใจนี้มานานแสนนันคำว่าธรรมประเสดนั้นเราจะได้ยินเป็นบางการและเป็นบางราย แต่ส่วนกิเลสเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามอันออกมาจากการตำหนิของจอมปราดทั้งหลายนั้นมันมีอยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนเต็มอยู่หมดก็ไม่ปรากฏว่ากิเลสนี้วิเศษตามหลักธรรมที่ท่านตำหนิโดยความจริงแต่ใจของเราที่ถูกกิเลสครอบงำนั้น มันถือว่าเป็นของดบของดีเป็นของวิเศษที่สวไปเสียทั้งสิน้นขึ้นชื่อว่าสกุลของกิเลสแล้วไม่มีสกุลใดที่จะเลิเหลอจากความหลงความยึดความคล้อยตามของสัตว์ทั้งหลายนี่เลยนี่เป็นสิ่งที่แก้ยากก็แก้เพราะแก้ยากเพราะไม่เห็นโทษเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เห็นโทษได้ไง่าย ติดมาเท่าไรจมมาเท่าไรก็หลงมาเท่านั้นไม่มีคำว่ารู้พอเป็นบทเรียนพอเป็นทางแก้ไขอันเป็นเงื่อนแห่งทางแก้ไขต่อไปมีแต่จมไปเรื่อยๆแล้วยังจะจมอีกตลอดตอดับตลอดกันหากำหนดกฎเกณฑ์จุ ด, ดหมายปลายทางไม่ได้ถ้ายังจะ ยอมเชื่อมันอยู่เรื่อยไปเช่นนี้ทั้งๆ ท, ที่ทำท่านประกาศแสดงบอกโทษของมันอยู่ตลอดเวลาเราอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะสุกเองจะงอมเองสุกเองถึงนิพพานเองโดยปราศจากการสั่งสมคุณงามความดีอันเป็นปุ๋ยเป็นโอชารสหล่อเลี้ยง จ, จิตใจ ให้มีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยผู้ที่จะหลุดพ้นไปได้ต้องอาศัยการสั่งสมคุณงามความดีโดยลำดับลำดาในชาตินี้ไปไม่ได้ยังกำลังยังอ่อนวัน ต, ต่อไปก็ส่งเสริมดีวันนี้กำลังยังอ่อนไม่สามารถแกกล้าไปได้วันต่อไปก็เสริมขึ้นโดยลำดับลำดาเช่นสมมติคำ ภาพเพียงสมาธิธรรมเท่านั้นที่ควรจะได้เห็นกันจดๆดร้อนๆ้อนภายในใจของผู้ปฏิบัติแต่ในขั้นเริ่มแรกเราก็ได้ยินแต่ชื่อไม่สามารถที่จะสัมผัสสัมพันธ์สมาธิธรรมหรือส ม, มถะธรรมนั้นได้เลยเราก็พยายามปรับปรุงใจของเราด้วยวิธีปฏิบัติกิตตภาวนาตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่หยุดไม่ถอย ก็ย่อมจะปรากฏขึ้นมาเป็นล ำ, ำดลับลำนาตั้งแต่เล็กหรือตั้งแต่นิดหน่อยจนกระทั่งปรากฏอย่างชัดเจนขึ้นภายในใจนี่ก็แสดงว่าจิตทั้งเรามีกําลังขึ้นมาพอจะสามารถสัมผัสสัมพั์สมถะทาได้ก็สัมผัสสัมผั์ผดได้ในเดือนนี้ในวันนี้ในปีนี้เป็นอย่างนี้ แต่ในปีต่อไปเดือนต่อไปด้วยความไม่ลดละความภาคเปลี่ยนของเรากรย่อมจะคืบหน้าไปได้โดยลำดับกิเลดมันก็คือกิเลสมันจะเพิ่มพูนมาจากไหนถ้าเราไม่สร้างไม่สั่งสมมัน่นเวลานี้เรามาสั่งสมอัดสั่งสมธรรมความคิดความปรุงตลอดถึงการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์สิ่งใด ขอให้น้อมเข้ามาเป็นธรรมเพื่อเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้รากุดความร่มเย็นสงบสุขขึ้นมาภายในใจของเราใจย่อมจะมีความสงบขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือทางเดินของจอมปราบและนักปราบทั้งหลายท่านเดินมาอย่างนี้ทุกยากลำบากอย่าให้กิเลสเข้ามาแทรกในวงงานให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอ หรือเปิดความท่อแท้เลี้ยวไหลไปเสียต่างๆนานาอย่งนั้นนั่นเป็นกลบุบายของกิเลสที่คอยที่จะแทรกทำและฉุดลากเราออกจากแนวทางอยู่ทุกระยะใั้พึงทําการต่อสู้เสมอทุกทุกเถรเพราะกิเลสพาให้ทุกไม่ใช่ธรรมพาให้ทุกการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กับกิเลสได้รับความทุกข์หนักเบามากน้อยต้อมยอมเสียสละ เพราะทุกนี้ทุกเพราะกิเลสเพราะทุกเพราะการต่อสู้กับกิเลสทุกเพราะฉุดลากตนออกจากกิเลสไม่ใช่ทำท่านมาทรมานให้รับความทุกข์ความลําบากแต่เป็นเรื่องของอธรรมทั้งมวลของฝ่ายต่ําซึ่งเป็นฆาตสืบของธรรมทั้งมวลที่ฉุดลากเราไว้ให้เราได้รับความลําบากในการประกอบความภาคเพียนทุกระยะไปขนาดจิตที่จะทําความภาคเพียน จะมีขณะหนึ่งแทบขึ้นมาอีดขวางทางเดินอีดขวางการบำเพ็ญให้เกิดตัวความท้อถอยอ่อนแอให้ชิดปไปในแง่ต่างๆอันจะเป็นการติดจากสาทางทาผลพระพุทธเจ้าเพื่อความสงบเย็นมันจะแทบขึ้นมาแทบขึ้นมาทุกระยะระยะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบความคิดความปรุงทราบ ทราบเรื่องอุปสรรคที่คอยทำการขีดขวางการดำเนินธรรมของตนผู้ไม่เคยปฏิบัติจะไม่ทราบเลยจะถือนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เพิ่มลงไหลไปตามมันโดยไม่มีวันอิ่มพอนี่ได้เคยพูดให้ฟังเสมอนักปฏิบัติเพื่อให้ทราบการแก้กิเลสนี้ยากมากสุดสติ ปัญญาสุดชีวิตจิตใจงานใดก็าตามไม่ในหนักในแน่นไม่ต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาอย่างละเอียดออมากยิ่นกว่างงานต่อสู้กับกิเลสงานแก้งานถอดถอนกิเลสงานปราบปรามกิเลสนี้อันนี้ยากจริงๆเพราะธรรมชาตินี้มันเหนือเราอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่มีเวลาไหนที่จะเหนือมันได้ถ้าจะเหนือมันได้ก็เป็นแยบแยบ ในครั้งแรกต้องเป็นอย่างนั้นคืออุบายวิธีสติปัญญาของเราที่คิดก้นขึ้นมาแก้ตัวเองแก้สิ่งขัดข้องสิ่งขัดข้องนั้นคือกิเลสเราพยายามหาค้นคิดหาอุบายขึ้นมาแก้ได้เป็นระยะเป็นพักเป็นตอนเป็นขแขนงขแนงนี้เรียกว่าเราเราชนะได้เป็นระยะระยะต่อไปก็ค่อยกว้างขวางขึ้นมาภายในใจ อย่างไรก็ตามความเพียรพยายามให้เป็นพื้นของใจอยู่เสมอทุกข์ก็เคยทุกข์มาแล้วไม่เห็นนําประโยชน์อะไรมาสู่เราทุกข์โดยลําพังของธาตุขันทุกข์โดยที่กิเลสผิดความคิดความปรุงขึ้นมาให้เกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้มีแต่ก่อความเสียหายให้แก่เราแต่ทุกข์เพราะการต่อสู้นี้เป็นผล ทางดีทั้งนั้นเป็นผลบวกไม่ใช่ผลลบจงให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจพยายามประพิปฏิบัติหลักสัจธรรมข้อถือเอากายเป็นที่ตั้งชาติปิตุขาชราปิตุขามรณะปิตุขังได้แก่ร่างกายนี้ตั้งขึ้นมาแปรปวนแสดงทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ตายมีเท่านั้นสาหรับธาตุขันธ์นี้ ไม่ได้ ว, วังเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านเพชรนินกินดาความวิเศษวิโสจากสิ่งใดจากผู้ใดทั้งสิ้นมันเดินตามสภาพของมันอย่างนี้มาดั้งเดิให้สิ่งที่ว่าอันนั้นวิเศษอันนี้วิโสอันนั้นดิบอันนี้ดีนั้นนันเป็นเรื่องของที่เด็ดหลอกหัวใจให้ดิ้นดนกวนกวายเท่านั้นเองเนี่ยคือสัจจธรรมมันเป็นไปในกายของเราน่ย ดูตรงนี้ดูร่างกายมันมีป่าช้าประจำตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ฟังเสียงสรเสริญเยนยอไม่ฟังเสียงสมบัติเงินทองเขา้าของใดๆทั้งสิน้นมันกล้าไปตามหลักธรรมชาติทั้งหมดถ้าใจไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะหลงเทินไปโดยโดยไม่ได้มองจุดแถ่งความรินดังที่กล่าวมานี้แต่จะว่ามอง ไปด้วยความเลี้ยวไหลเลี้ยวแหละตามอำนาจของกิเลสหลอกลวงไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกครั้งอริยสัจจ์ท่านบอกว่าชาติปีตุขาชะลาปิตุขามานำปิตุขังเป็นสำคัญสมุทัยทั้กปกล่าวไว้แล้วว่านันทิราคาตาคตาตตตตาายพนานินี เรื่ที่ดังคืออะไรตัณหาทั้งสามได้แก่ความเสื่อมคลานความกระวนกรวายความไม่มีวันอิ่มพอความหิวโหวยสามประเภทนี้คืออะไรการ ม, มาตัญหาความไข้ในสิ่งที่ตนชอบทั้งหลายที่สัตว์โลกชอบสัตว์โลกแต่ละหลายละลายชอบกันทั้งนั้นไม่มีวันอิ่มพอหิวโหวยตลอดวันตายนี่การ ม, มาตัญหา เพราะว่าตัณหาอยากเกิดในภพนั้นภพนี้อยากให้สมมติสมหมายก็หิหวโหยตลอบเวลาแต่มันไม่สมหมายมันอยากเฉยเฉยก็ความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนหิวข้าวนั่นแหละความหิวข้าวมันมีความสุขไหมหิวเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มากหีว ความอยากความทะเยอทยานความหิวโหยของตัณหาเหล่านี้มันก็เป็นลักษณะนั้นมีความอยากความทะเยอทะยานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งก่อฟืนก่อไฟเข้าเผาผจิตใจวิทวพิภว ะ, ววะตัณหาอยากในสิ่งไม่มีอะไรไม่มีเกิดแล้วไม่ตายมีเหลือแต่ไม่อยากตายนะ่ะเกิดแล้วไม่แก่มีเหลอแต่ไม่อยากแก่นั่น ก็ อ, อยากอยู่คงเช่นคงวาอย่างนี้ตลอดไปนี่ได้มาแล้วอยากให้อยู่ตั้งกับตั้งกันไม่ให้เสื่อมไม่ให้แปรปวนไปไม่ให้มีอะไรสูญไปเสียไปนี่เป็นเพราะว่าวตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นลมลมแรงแรงขาดจากหลักความจริงที่เกิดแล้วต้องดับได้มาแล้วต้องเสียไป นี่คือหลักธรรม น, นั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นสิ่งที่ลบล้างธรรมฝืนกันอยู่เช่นนั้นนั่นหละความฝืนธรรมนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับความลำบากลาบุญทนทุกข์ทรมานเรื่อยมาถึงปัจบันนี้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษนี่เราเป็นผู้มาศึกษาทั้งโทษทั้งคุน ให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณตามหลักความจริงของพระพระทุทธเจ้าก็ไม่ปีนเตลียวกับธรรมใจก็ก้าวเข้าสู่ธรรมคือความสงบร่มเย็นไม่ควกวายไม่ทะเยอทะยานไม่หิวโหยไปตามหน้าของกิเลสมันก็สบายเพียงเท่านี้ก็เริ่มสบายแล้วนี่ท่านาะบอกตันหาคือสมุ ท, ทยัยยาอริยสัจจงมันมีอยู่ในใจดวงใดมันต้องแสดงอยู่ตามหลักธรรมชาติแต่นความจริงของมัน ถ้าแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้มันจะเป็นไปเช่นนั้นไม่ขึ้นอยู่กับผู้ใดมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองมีธรรมเท่านั้นที่จะเอาไปปราบปรามชะล้างได้นิโรดอธิยศาสตร์นั่นคือความดับทุกข์ทางใจด้วยอำนาจของมักคขัตย์มี มัชฌิมาปฏิปทาเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรจนมาถึงสัมมาสมาธินี่เครื่องปราบทุกเครื่องปราบกิเลสตัวเป็นสาเหตุตัวก่อเหตุหรือโรงงานการก่อทุกข์ปราบด้วยมัชฌิมาปฏิปทานะ เมื่อมัจจิมาปฏิปทามีกําลังกล้ามีกําลังมากอย่างไรกิเลส จ, จะมีกําลังน้อยและตายไปโดยลาดับสลายตัวไปโดยลาดับลาดาคำว่านิโรธคือความดับทุกข์จะดับไปตามจังหวะที่สมุทัยดับไปเป็นวักวักตอนตอนสมุทัยคือกิเลสประเภทต่างๆตัวผิดทุกข์ขึ้นมาดับไปอย่างสนิทเพราะอํานาจของมรรคมีกําลังเต็มที่ น, นิโรธก็แสดงความดับทุกข์ได้สนิทดีในสัจธรรมทั้งสีน่นี้อย่าไปคิดตามปินฟ้าอากาศอย่าไปคิดตามสถานที่นันสถานที่นี้โลกนั้นโลกนี้เพราะสัจธรรมทั้งสี่นี้เฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่ที่ใจ เอรวมกันแล้วกายกับใจรวมกันชาติพิทุขาเป็นเรื่องของกายซึ่งเป็นขแขนงสืบเนื่องมาหรือว่าเป็นวิบากของสมุทัยสร้างขึ้นมาสมุทัยก็คือตันหาความหิวโหยความเสือ่อมคลานทั้งสามประเภทนั่นแหละมันสร้างวิบากนี้ขึ้นมานี่คือฝ่ายผูกมัดทุกข์ขัดสมุทัยยศ นี่มีอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้มรรคษัตย์ได้แจกเครื่องปราบปรามตัวค่าสึกที่กล่าวมาทั้งสองนี้ให้ดับสนิดปรากฏเป็นโรดขึ้นมาก็อยู่ที่กายที่ใจของเราหน้รวมแล้วอยู่ที่ใจเป็นสำคัญนี่แหละแดนพ้นทุกข์เมื่อนิเรศ ดับชนิดลงไปแล้วไม่ต้องถามหาที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจดวงที่เคยถูกจําจองนั้นนั่นแหละเพราะสิ่งจําจองได้ถูกปราบให้เรียบราบไปแล้วความเป็นอิสระของจิตเต็มที่เต็มภูมิโดยไม่ได้ขาดใด้ฝันจะปรากฏขึ้นอย่างเต็มตัวภายในใจของผู้ปฏิบัตินั้นนี่ลนะ่ะแดนสถิตแดนที่อยู่ หรือแดนแห่งความบุกพ้นจึงมีอยู่ที่จิตไม่ใช่มีอยู่ที่การนั่นสถานทีน่นี้ไม่อยู่กับเวล่มลาบ้านนั้นเมืองนี้พบนั้นพบนี้โลกนั้นโลกนี้แต่อยู่ที่นี่สำหรับผู้ปฏิบัติให้ตั้งเข็มทิศจอเข้าไปตรงนี้ พระพุทธเจ้าไปนิพพานนานเพียงไรก็ตามจะไม่เป็นปัญหาอันใดเลยเพราะธรรมนี้เป็นปัจจุบันธรรมความนิพพานของพระพุทธเจ้าก็เป็นปัจจุบันธรรมปั จ, จุบันจิตของท่านเมื่อได้ปรากฏปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมอันบริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วจะ ก, กระจายไปถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเองโดยไม่ต้องสงสัยไม่สงสัยไม่เคยรู้ก็าตามขอให้รู้เพิ่มเถิม ธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างเต็มที่ประจักษ์ใจไม่สงสัยเท่าที่ขาดโน้นขาดนี้นั่นก็เพราะเราไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอะไรเป็นจักขีพยาดก็ต้องคาดคาดไปถึงขนาดให้กิเลสย่ำยียวว่าโอ้ศาสนาล่วงไปนานแล้วพระพุทธเจ้าป ร, รินิพานนานแล้ว หมดเขตหมดสมัยหมดมรรคผลนิพพานแล้วทํายังไงก็ไม่ได้ให้จะบําเพ็ญดิจความดีขนาดไหนเต็มความสามารถถูกต้องแม่นยําตามหลักธรรมขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะสาเร็จมรรคผลนิพพานนี่คือเปลงกล่อมของกิเลสกล่อมเช่นนี้นกอกกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานเกิดมาตั้นเต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์นับแต่โคตแต่แท้ของมันมา มันจะเอามรรคผลนิพพานมาอวดสาสตร์โลกอย่างไรเพราะคำว่ามรรคผลนิพพานก็คือแดนสุดวิสัยของมันแล้วมันเอื้อมไม่ถึงจิตดวงใดถ้าได้เข้าสู่แดนนิพพานแล้วกิเลสประเภทต่างๆเรียกว่ากิเลสสมารสุดเอื้อมหมดหวังนี่คือเปลนงกล่อมของกิเลสกล่อมเช่นนี้กอกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานเกิดมาตั้ง เต็มอยู่ในหัวใจของสัตว์นับแต่โคตรแต่แท่ของมันมามันจะเอามรรคนิพพานมาอวดสาตร์โลกอย่างไรเพราะคำว่ามรรคนิพพานก็คือแดนสุดบิสัยของมันแล้วมันเอื้อมไม่ถึงจิตดวงใดถ้าได้เข้าสูแดนนิพพานแล้วเาณประเภทต่างๆาเรียกว่ากญาณสมานสุดเอื้อมหมดหวังหมดอะไรตายอยากแล้วมั่นจะ อุตริไปสอนจิตดวงใดโลกใดสัตว์ตัวใดให้ไปสู่สวรรค์นิพพานเรานอกจากมันจะกว้านเข้ามาเพื่อผลไา้ได้ของมันโดยอุบายต่างๆเท่านั้นเช่นบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มนีนี่เป็นอุบายที่จะให้เกิดผลไา้ได้แก่มัน โดยถ่ายเดียวเท่านั้นคนเราเมื่อเชื่อตามมันว่าบาปไม่มีแล้วก็จะทําความแต่ความชั่วช้าละโมกโดยไม่สะทกสะท้านว่าบาปจะให้ผลอย่างไงจะเป็นความทุกข์ความทรมานตกนรกปกไม่ที่ไหนมันหมดความสนใจซะทั้งมวนนลนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแล้วสวรรค์ไม่มีใครจะอยากไปสวรรค์ เมื่อไม่มีแล้วอยากไปหาอะไรเพราะเชื่อความว่าไม่มีแล้วอยากไปหาอะไรนี่พรมโลกนี้พ่านก็เหมือนกันบุญไม่มีสร้างหาอะไรนี่การที่ไม่อยากไปในสิ่งในสถานที่ดรืในธรรมชาติที่ควรอยากทำอยากไปมันเป็นเรื่องกิเลตกวาดต้อนให้เข้าสู่ในวงอำนาจ วัตจักรวัตจิตของมันนี้ทั้งนั้นธรรมชาตินี้กิเลสนนมันมีอหนาจที่ไหนที่จะไปสร้างพอจะไปลบล้างว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่มีได้นอกจากมันสร้างความทุกข์ใส่หัวใจสัตว์โลกเท่านั้นมันไม่เคยสร้างสวรรค์นิพพานพรมโลกอะไรให้สัตว์ไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลให้สัตว์เลย มีแต่สร้างความทุกข์ความทนมานอันเป็นเรื่องของบาปกรรมที่ออกจากอุบายของมันเท่านั้นเราสมควรหรือที่จะเชื่อตามิ่งนนี้นี่แหละอุบายของจิเดชที่มันทำจัดให้ข่อยคว้าสุดท้ายกาะคว้ า, วาน้าเหลวเพราะฉะนั้นหลักความจริงแล้วจึงไม่มีคำว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแสนนานเป็นการตัดขาดจากมรรคผลนิพพาน ที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องาตามหลักธรรมเป็นส่วขาตธรรมการนิพพานเป็นเรื่องของพระองค์เท่านั้นแล้วการนิพพานไปก็ไม่ใช่เป็นการขาดทุนศูนดอกสําหรับพระพุทธเจ้าเป็นการเปลี่ยนสภาพในทางธาตุทางขันอันเป็นสมุทรให้เข้าสู่ตามสมุทรเดิมของตนโดยหมดความเยื่อใ ย, ยตายยาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยจิตที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วเท่านั้นจิตบริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ล้วนแล้วอไลไปเป็นค่าศึกทําให้พีนาธพิหายได้แม้แต่กิเลศก็ไม่สามารถไม่มีอานาจวาสนาที่จะไปทำลายจิตที่บริสุทธิ์ของโมลิข้าให้สูญให้อันตราทานไปได้แล้วนิพพานจะสูญไปไหนจิตผู้บริสุทธิ์จะสูญไปได้อย่างไหน เพราะธรรมชาตินี้นอกเหนือไปจากสมมติทั้งมวลแล้วมีอะไรที่จะนอกเหนือสมมติไปทําลายจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วให้ศูญไปให้อันชิบหายไปนั่นขอให้รู้เขาเถอะจิต ด, ดวงนี้ไม่ต้องไปถามใครแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าก็ตามเถอะพูดแล้วก็สาธุจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงลําบากหรือหัวเราะเลย ทระงจะสงยิ้มเห็นให้ปรากฏไอ้แบไอ้นี่มันบ้าแล้วเหรอสันทิิโกเราสถาคดได้มอบไว้แล้วพร้อมทั้งการปฏิบัติอันเป็นเครื่องดำเนินที่จะให้เกิดผลเป็นสารทิโกขึ้นมา ม, มันเอากวาดไปให้ที่เหลือเคียวคืนไปไหนหมดมันถึงไม่ได้นำมาปฏิบัติพอที่จะรู้เรื่องรู้ราวนี่แล้วมาถามเรา นั่นหละหลักความจริงเป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่มีใคร <c oughs> มีอานาจบาปบุญนรกสวรรค์มิตรผ่านไม่มีผู้ใดไม่มีอันใดที่จะสามารถลบล้างได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมมีมาดั้งเดิมกิเลสมันจะมีอำนาจขนาดไหนมันก็ ทำลายไม่ได้แต่อุบายที่จะลบล้างจิตใจสัตว์ให้เชื่อหรือไม่เชื่อนั้นมันทำได้แหลมคมมากถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสอดแทรกกันเข้าไปแล้วยังไงก็ต้องล้มตูมหมัดเดียวเท่านั้นหงายเลยถูกกิเลสต่อยถ้ามีธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวแล้วกิเลสออกช่องไหนธรรมออกช่องนั้นสวนหมัดกันทันทีทันทีจนกระทั่งถึงกิเลสหมอกราก ไม่มีใครที่จะมาคัดค้านต้านทานไม่มีใครที่จะมาหลอกลวงว่าทมทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเพราะรู้เห็นอยู่ประจัก์ใจเต็มหัวใจอยู่แล้วสงสัยไปไหนจะหวังอะไรมาช่วยส่งเสริมให้รู้ยิ่งกว่านี้ที่เป็นจริงเต็มหัวใจอยู่แลนี้หนักนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้ากระจ่างอย่างนั้ น, นที่ว่าธรรมอัจฉรย์ขอให้ตรับใจของเราให้เข้าสู่แดนธรรมประเภทต่างๆเถิ คำว่าสมาธิอย่าเสียดายความตายเกิดมาแล้วมีป่าชาติเต็มตัวให้เสียดายอัดเสียดายทำด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังนี้จะเป็นความเสียดายที่มีสาระที่มีคุณค่าส่งเสริมตัวของเราให้ดีขึ้นไปดุลําดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะความเสียดายอันนี้เป็นต้นทุนหรือเป็นเครื่องหนุนเราอย่าเสียดายอ่าชาอย่าเสียดายความตายคือเสียดายกิเลสนันแหละ เพระกิเลสพาให้เกิดให้ตายเอาลงไปพิจนาเราอาให้จริงให้จังยาเราเหล่อแหลกเลยธรรมปุถุเจ้ า, าไม่มีบทใดาบาดใดสอนสัตว์โลกให้หล่อแหละความหล่อแหละเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเป็นเรื่องของกิเลสฉุดลากไปให้หล่อแหละแต่ตัวของมันเองมันไม่ได้หล่อแหลกมันทำสัตว์ให้หล่อแหลกได้ทําสัตว์ให้โง่แต่ตัวมันเองมันฉลาด ไม่มีอะไรจะลบล้างมันได้นอกจากทำเพราะฉะนั้นจึงผิดธรรมขึ้นตั้งแต่ขั้นสมาธิเอาให้สงบที่ทำท่านสอนไว้แท้ใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะรับความสงบเป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์ความสงบขอให้ปรับใจให้ดีสติเป็นของตั้งฐานที่จะตีตะล่อมจิตผิดซึ่งถูกที่เหลือถูกล่าปลอมล่าไปให้เข้ามาช่องอัดช่องทำที่จะปรากฏช่องทางแห่งความสงบขึ้นภายในตน ให้เข้มงวดกวดขันให้ได้รับความสงบจนได้ในขณะที่ฝึกหัดอบรมภาวนาอย่าไปคิดถึงเรื่องอันใดสิ่งใดในโลกนี้ว่าจะมาช่วยส่งเสริมว่าจะมาช่วยแก้ไขดัดแปลงหรือปาราบปราทพ่เลห์ให้จะมาช่วยให้ได้มรรคผลนิพพานไม่มีธรรมชาติแต่ละอย่างละอย่างเต็มโลกเต็มมังสารเป็นธรรมชาติของเขาเองอยู่อย่างนั้นแต่นัตตาะไรมา ไม่เคยมากดขี่บังคับไม่เคยมาส่งเสริมเราให้มรรผลนิพพานชิพายและเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้เลยนอกจากกิเลสภายในหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นให้ตั้งจุดลงจุดนี้แล้วทําความภาคเพียรโดยความมีสติกับงานของตนที่ทำนั้นประหนึ่งว่าโลกสงสานี้ไม่มีในขณะนั้นมีเฉพาะงานที่ทํากับความรู้ที่สืบต่อกันอยู่นี้นเท่านั้นนี่แหละทางปไปเพื่ความสงบเย็น หลังจากนั้นก็เมื่อถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้ค้นให้คิดตั้งปัญหาถามตนเองหาเรื่องเสีตัวเองเพื่ออาจเพื่อทําให้เป็นไรนี่แหละจะเป็นปัญญาที่แตกแขนงประดมดับต้องหาเรื่องตั้งแต่กิเลสมันยังหาเรื่องให้เราวันนั่งขําคืนยังลุกทั้งเก่าทั้งใหม่เลอะเทอะไปปขนานไหนก็ยังอามาอุ่นกินกันอยู่นั่นมันจะเฟอ้อตายแล้วท้องถ้าเป็นกิเลสพาให้ท้องเสีย พอคิดแล้วคิดเล่าในอารมณ์ของเก่ามีอะไรมีแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นการรสเครื่องสัมผัสที่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาเท่านั้นที่มันมาพุ้นคิดก ว, วนใจขยาย่ำ ย, ยีตีแหลกภายน จ, จิตใจในอิรดีบท่างๆตลอดเวลามีอะไรก็มีแต่สิ่งอย่านี้เท่านั้นมันเก่าขนาดไหนเคยคิดเคยปรุงมาแล้วสิ่งดีใจเสียใจรักใครชอบใจ หือเกียดชังประการต่างๆมันเคยคิดเคยปรุงมาแล้วมันเคยเผาหัวใจมานานแล้วทําไมไม่รู้สึกว่านี้เป็นของเก่านี้เป็นของใหม่นี่เคยเป็นพิษเป็นภัยมาแล้วทําไมจึงต้องติดต้องเค้นกับมันตลอดเวลาดูสิหัวใจมันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเผาอยู่ในหัวใจมันจึงไม่มีอาจมีธรรมเข้าไปแทรกภ า, ายในจิตใจพอให้เกิดความสงบร่มเย็นได้เลยถ้าไม่เอาจริงเอาจังปะะัญญาจึงตั้งปัญหาฐานตัวเองมันสัญญาลงมันไปกับเรื่องอะไร ถามสิเรื่องอารมณ์เหล่านี้เคยคิดแล้วยังได้ผลอะไรจะเป็นเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องลาอะไรก็ตามแล้วนี่เคยคิดแล้วยังแล้วเคยเผาตัวเองมาเท่าไหร่ทาไมไม่เห็นโทษนั่นนะตั้งปัญหาถามตัวเองนี่ที่กว่าปัญญาให้คิดเรื่องอัดเรื่องทำนี่เรื่องอดเรื่องทำเราไม่เคยได้คิดคิดยังไม่ถึงไหนถูกกิเลสมาปัดมือออกปัดมือออกตีข้อมือออกจนเวลานี้ข้อมือจะไม่มีเหลือแล้วถูกกิเลสตีเอาเดียวทำไมไม่เห็นโทษของหมัด นั่นเลยนี่แหละปัญญาตั้งปัญหาถามแล้วค้นเข้าไปในส่วนร่างกายส่วนต่างๆตามหลักความจริงเปไน็นยังไงในร่างกายพอเคยประกาศก็เคยแนะนําต่างนมาเต็มกำลังความสามารถจนจให้มีอะไรเหลืออยู่แล้วในผงนี้วาาต่างๆที่สอนนั้นอะไรค้นคนิดล ง, ลงไปปัญญาอยากขอให้เกิดเองนะไม่เกิดถ้าไม่ใช่ถูถ่ายกัน ตั้งปัญหาถามตัวเองคิดค้นในตัวเองให้เกิดในเบื้องต้นซะก่อนเออคือพอคิดขึ้นมาเข้าใจตรงไหนแล้วมันจะสะดุดใจสะดุดใจเข้าใจสะดุดใจไปเรื่อยๆต่อจากนั้นเขาจะค่อยก้าวทิ้ปัญญาเขาจะค่อยก้าวเดินเมื่อเห็นผลแล้วไอ้เรื่องความขายันมันเพียนความพออกพอใจที่สั้นเรียกว่าฉันท้าวิยะกิตตะนี่มันจะหมุนเข้าสู่ปัญญาทั้งนั้น เ, นเพื่อไขครวนน่มางสาร เพื่อไข้ควรหาเหยียดท้าผลแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญานะ่ะสมาธิเป็นแต่เพียงว่าตีตะล่มให้กิเลสรวมตัวเข้ามาแก้ไขได้ง่ายตรงไหนที่มันตักเสียบเอาไว้ปัญญากระจายออกไปเทียวถอดเทียบถอนออกมาโดยลําดับลําดาถึงกระทั่งหมดเข้ามาโดยลํำดับลำดาบนีบบบบบบ่ปัญญาถ้าเรียกว่าปัญญาปัญญาที่แรกต้องใช้กินตามายปัญญาใช้โคต ใ ช, ชใช่คิดใช่ค้นนี่เรียกว่าจินตามายาปัญญาแต่ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นอุบายแต่และแง่ละมุมแล้วก็ให้นําไปเป็นจินตามายาปัญญาพิิพจิณาคิดค้นถกเถียงตัวเองในเรื่องปัญหาต่างๆซึ่งกิเลสมันสร้างขึ้นมาภายในหัวใจแก้กิเลสแก้ปัญหามันที่สร้างขึ้นมานั่นแหละมันสร้างขึ้นที่หัวใจแก้กันที่หัวใจด้วยปัญญาต่อไปปัญญาก็ก้าวได้กิเลสค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยไปปัญญาออกทํางานได้อย่าง ขงาพาเผยพอจากลำดับนั้นแล้วเอาละทีนี้ความหวังตอนนี้แดนนีานนี้จะขึ้นเต็มหัวใจแล้วความหวังที่จะหลุดพ้นทุกนั้นมันทุกระยะหก ท, ที่ควรจะได้จะถึงเป็นลำดับลำดับไอเรื่องความภาพเพียนไม่ต้องพูดนี่นี่ถึงวาลาที่ที่จะข้ามวัฏจักรวัฏจิต ให้จงจากใจไปแล้ววิวัตจักวิวัตจิตจะขึ้นเพื่ออำนาจของกติปัญญาขั้นสร้างตัวเองขึ้นพายในจิตใจนี่พยายามพิจารณาตั้งให้ดีเมื่อปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วหมุนติ้วติ้วติวทั้งวันทั้งคืนไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยเป็นก็เป็นขึ้นมาอุบายใดที่จะ เป็นไปเพื่อปราบพิเลศแล้วจะรับปรากฏรับกันขึ้นมากับพิเลศปรากฏรับกันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเพรนี่เรื่องคําที่ว่าความอ่อนแอความทอดแ้ความว่าจนบุญน้อยวาสนาน้อยอาภัพวาสนาหายหน้าไปหมดความขี้เกียจขี้คล้านหายหน้าไปหมดนี่เป็นเหตุให้เราได้รู้มันชัดๆว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสทั้งนั้นนะมีแต่ ความบึกบืนมีแต่ความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากรมเกินเป็นเตี้ยวเตี้ยกันไปเลยหมุนติ้วตี้วไปอันเดียวเลยจะพูดว่าความเพียรเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงพูดได้ในจิตดวงเดียวที่พุ่งพุ่งตัวสู่แดนพ้นทุกข์อยูน่นั่นนั่นไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นทำอัจฉรย์ไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเป็นพักเป็นตอนเรื่อยเรื่อย อุบายต่างๆไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาคนเราเมื่อถึงการฉลาดแล้วฮักดีดตัวเองผึ่งผึ่งผึงไปเลยทีเดียเราฟังอุบายจากครูบาอาจารย์แต่ละนิดตีขแขนงไปไม่ ร, มรู้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันแขนงนักทีนี้เป็นสมบัติของตัวแล้วกินไม่หมดแต่ากระจายไปจนกรทั่งถึงกิเลสแตกลวงแตกรังหมดจากจิตแล้วนั่นแหละสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะยุติโดยหลักธรรมชาติไม่ได้บังคับ ว่าต้องยุติหรือให้ยุติเสียเมื่อหมดเหตุหมดหมดเหตุหมดปัจจัยแห่งสิ่งผูกสมมุติทั้งหลายแล้วปัญญาสติปัญญาซึ่งเป็นสมมุติท่าทาความเพียนซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันลงด้วยกันหมดเหลือแต่ธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิล์ล้วนๆเท่านั้นนี่แหละท่านว่าธรรมอัศจรรย์ทิ น, นแต่ว่าธรรมอัศจรรย์ก็ได้จิตอัศจรรย์ก็ได้เมื่อจิตกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว จะปรากฏอยูอ่ภ า, า, ายในใจของผู้ปฏิบัติผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียวด้วยสันคิติโกในวาระสุดท้ายขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติให้เห็นตามความจริงนี่แหละธรรมะพุทธเจ้าสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างที่กล่าวอย่าไปคาดไปหมายการเวล า, วลาสถานที่นั่นที่นี่ให้มันสิ้นท่าความคิดเปล่า ให้กิเลสเอาไปต้มไปตุ่นโมดความคิดเหล่า น, นี้เป็นความอุบายของกิเลสให้มันต้มมันตุ่นมต่อเวลาเอาลงในวงสัจธรรมสติปัฏฐานสี่ อ, อริยรรสัจสี่อยู่ที่ตรงไหนนั่นแหละเอะแสดงความพ้นทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นแล้วอยู่ที่ตรงไหนเวลานี้อยู่ที่จิตแยกออกมาก็อยู่ที่กายกับจิตเมื่อรวมลงไปรวมลงไปทางภาคปฏิบัติแล้วอยู่ที่จิตแห่งเดียวฮ นิเรศก็อยู่ที่กิจของดีแห่งเดียวมันแตกแขนงออกไปต่างหากบริษัทบริวารทังมันเยอะเหมือนกับต้นไม้ต้นเดียวมีกิ่งก้านสาขามากมายห่ายกองนิเรศก็มีอวิชาตัวเดียวเท่านั้นมันแตกกิ่งก้านสาขาไปเดี่ยวขี้เรศพันห้าตันหาร้อยแปดมันก็มาร้อยปอดคนนี่เลยเวลาสติปัญญาศรัทธาความเพียรเช่นมรคแปดรวมลงไปแล้วก็ลงในสัมมาทิฏฐิสติกปัญญาเท่านั้น เป็นเครื่องหมุนติว้วเป็นเครื่องฟาดฟั้นหั่นแหลกที่เหเมื่อที่เหลเือดบรรลายไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญาก็เป็นสมมุติด้วยกันกลงกาญภาพยุติไปตาญภาพของตัวเองธรรมชาติที่อจจัศจรรย์นั้นไม่ต้องถามดินี้อยู่ไหนก็อจจัศจรรย์ไหนว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนจะเป็นมิจะตายไมค่คำนึงคำนวณไม่ถามไม่คิดให้เสียวเวลาเลยนั่นจึงเป็นธรรมที่พอ อาจารย์ก็อาจารย์ในพอตัวไม่ล้นพ้นไม่ผ่าพ้นเป็นธรรมเหนือโลกเหนือโลกสมมุติเวิรมว่างาเหนออากาศของจิตเนออากาศของธรรมอยู่ตรงนั้นเนี่ยการเสียงธรรมก็ไม่พอสมควรโอเคอันนี้